แต่โดยมากคนคิดคิๆโง่ๆก็มีแต่ตามไม่จริงเราไม่ใช่กราบไม่จะไปเห็นก้อนหินนีที่ไหนก็กราบไม่ใจะเห็นทองเหลืองทองแดงที่ไหนก็กราบเห็นเงินที่ไหนก็กราบไม่ใช่อย่างนั้นอคือตั้งเป็นองค์พระขึ้นมานี่เอออันนี้คือศาสดาตรงตัวแทนของพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธรูป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 รสแห่งความทุกข์มันคืออะไรอันนั้นรู้อยู่ที่ใจของใครของเราทั้งหมดอยู่ที่ใจของใครของเราอันนั้นความทุกข์เน่ะมันอยู่ที่ใจนะแต่มันทุกข์กายก็จริงแต่มันวิ่งเข้ามาหาใจใจเป็นคนรับรับทุกข์พลางการมีทุกข์ไม่เหมือนกันแต่รสของทุกข์มันเหมือนกัน <h m uch> มันทนทุกข์มันอยู่ได้ยากคำว่ า, าทุกข์คำนี่มันอยู่ได้ยาก